แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าสยองขวัญตัวแทนห อ, อพักสวัสดีครับผมชื่อเก่งถ้าให้พูดถึงเรื่องโดนผีหลอกซึ่งๆึ่งหน้าเล่าให้ใครฟังส่วนมากมักไม่เชื่อแม้แต่จะเชื่อก็ไม่ก้อยเห็นภาพหรือนึกรู้ถึงความรู้สึกตอนนั้นได้หรอกครับยกเว้นแต่จะคุยกับคนที่เคยโดนผีหลอกมาแล้วถึงจะเข้าใจนั่นคือมีทั้งอาการตกตะลึงตัวแข็งทื่อ เลือดหายวับจากใบหน้าที่รู้สึกคล้ายๆกับจะชาเหอเย็นซ่าจากต้นคอลงไปถึงกลางหลังเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวคล้ายจะเป็นไข้าขาไกลยแข็งทื่อจนร้องไม่ออกในที่สุดก็อยากหายตัววับไปหรือไม่ก็ร้องไห้โหให้หายอัดอั้นตันใจผมกลัวผีมาตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่ที่บางบัวทองก่อนจะมาเป็นรอปภ อ, อยู่ที่หอพักสตรีในย่านดินแดงที่นั่นเองผมเจอเจอพูดผีดูร้ายสุดขีด แทบจะขาดใจตายแต่เมื่อเหตุการณ์ขนหัวลุกผ่านไปผมกลับไม่ได้โกรธเคืองพูดผีตนนั้นหรอกครับกลับรู้สึกเวทนาด้วยซ้าไปเรื่องเป็นอย่างนี้ครับผมมีญาชื่อนแดงแก่เป็นยามเก่าแก่ของหอพักแห่งนั้นพอดีมีคนเก่าลาออกนแดงก็เลยใช้เส้นฝากฝังผมก็ไปทํางานแทนส่วนมากมักจะได้กะดึกคือสี่ทุ่มไปจนถึงหกโมงเชา้าบ้านช่องห้องหอหายห่วงได้เลยครับเพราะอาศัยซุกหัวนอนกับนแดงที่อยู่ระแวกนั้นเอง คืนนั้นฝนพรมมาแต่หัวค่ำผมรับเวรต่อจากหน้าแดงพอดีมีห้องพักยามอยู่ข้างประตูหอพักแต่น่าสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเปิด24ชั่วโมงก็ไม่ทราบอาจจะเป็นอาพาร์ตเมนต์ก็ได้มีอยู่ห้าชั้นมีลิฟต์อำนวยความสะดวกพร้อมเมื่อขึ้นไปก็เป็นทางเดินตรงกลางระหว่างห้องพักซ้ายขวาที่เรียงรายกันเป็นตับทาให้ระเบียงด้านหลังหันมาทางประตูรัว้วดูแปลกตาผิดจากขออื่นๆทั่วไป นาแดงเล่าว่าก่อนนั้นมีเรื่องฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันส่วนมากเกิดจากการหึงหวงฆ่าชิงทรัพย์ฆ่าข่มขืนแม้แต่การฆ่าตัวตายก็มีคือกระโดดมาจากระเบียงชั้นบนบ้านกินยาตายบ้างที่น่าสยองก็คือเชื่อเส้นเลือดที่ข้อมือนอนแช่น้ำตายในอ่างกว่าจะพบศพก็วันรุ่งขึ้นว่ากันว่าผีดุและเี้ยนที่สุดบางครั้งวิ ญ, ญญาณเหล่านั้นก็จะมีทั้งเข้าไปเคาะห้องข้าง กับสมเสียงกรีดร้องโหยหวนจนคนอาศัยต้องย้ายหนีกระเจิดกระเจิงไปหลายรายแล้วคนเช่าส่วนมากเป็นผู้หญิงทํางานบริษัทนักศึกษาคนทํางานกลางคืนก็มีแต่ส่วนใหญ่หลังสามทุ่มก็จะเข้านอนกันหมดแล้วขณะที่ผมกําลังนั่งคิดอะไรเพลินๆกับสิ่งที่นะแดนเคยเล่าถึงประวัติและสิ่งที่เกิดขึ้นกับหอพักนี้ก็มีเสียงของผู้หญิงกรีดร้องว่วฝ่าสายฝนลงมาจากชั้นบนผมเงยหน้ามองฝ่าละอองฝนบางๆขึ้นไป ก็เห็นหญิงสาวในชุดสีดำบนระเบียงชั้นสี่กำลังโบกไม้โบกมือส่งเสียงลงมาได้ยินชัดเจนช่วยด้วยช่วยด้วยผมละล้า ล, ละลังเพราะตัวเองไม่มีหน้าที่ขึ้นไปจุนจ้านบนนั้นแต่มีพนัก ง, งานประจำเคาน์เตอร์กับ ร, ปรอปภคอยดูแลอยู่คิดอีกทีเธอกำลังขอความช่วยเหลือจากผมมองยังไม่ทันพลิบตาสาวชุดดาก็วิ่งหายเข้าไปในห้องไม่ถึงอึดใจ เธอก็วิ่งแนวออกมาจากอาคารชั้นสี่มาถึงป้อมยามฝ่าสายฝนออกมาไม่ถึงสองนาทีเมื่อเธอเข้ามาใกล้ถึงได้เห็นชัดว่าเธออยู่ในชุดนอนสีดำผมยาวผิวขาวหน้าตา飒 ส, ส, สวยที่ดูเหมือนจะคุ้นหน้าเธอปราดเข้ามาหาผมที่ถอยหลังเข้ามาในตู้ยามกระหือกระหอบแทบฟังไม่รู้เรื่องช่วยด้วยผีค่ะมันจะฆ่าฉันโอยเธอพร่องเข้ามาหาผมด้วยความตื่นกลัวหน้าซีดตกใจอะไรบางอย่าง ตัวสันก่อนจะเล่าว่าขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับก็มีเงาดำๆเลือนรางคล้ายผู้หญิงวัยเดียวกันกลุ่มหนึ่งประมาณ3ามสี่คนเข้ามาห้อมล้อมหัวเราะใส่เธอบางก็กระซิบกระซาบยั่วยา่วร้องไห้ไวัยวายกรีดร้องใส่เธอบอกว่าพวกเธอกินยาตายโดดตึกตายถูกแทงตายมาอยู่ด้วยกันเถอะแล้วจะพบแต่ความสุขในฝันของฉันได้เพียงแต่พร่ำพูดว่าฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตาย พวกเธอจะทําทอะไรฉะนะสาวชุดดากระหืดกระหอบหันไปมองที่ระเบียงชั้นสี่ไม่หยุดย่อนช่วยด้วยค่ะช่วยฉันด้วยคุณต้องช่วยฉันนะคะฉันกลัวด้วยความช่างใจบางทีก็เชื่อบางทีก็ไม่เชื่อผมพูดเป็นเชิงปลอบใจอะไรกันครับไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เธอใส่หน้าและชี้ขึ้นไปที่ชั้นสีที่เธอวิ่งลงมานั่นไงสาวชุดดําหันขวับไปชี้มือสันด ร, ริกพวกมันยินเกาะระเบียงเต็มไปหมดกําลังมองดูเราด้วย ดูสิมันต้องตากโกรธเชียวเสียงยืนยันสั่นเครือทำให้ผมเย็นวูบที่ต้นคอแข็งใจปลอบโยนพลางหันมองผมหันหลังกลับไปหยิบร่มเพื่อจะพาเธอไปส่งที่ตึกพร้อมพูดขึ้นว่าทำใจให้สบายเถอะครับไม่มีอะไรเลยจริงๆผมคิดว่าเสียงผมขาดหายไปเมื่อหันมาและพบว่ากำลังพูดอยู่กับความว่างเปล่าผู้หญิงชุดดาคนนั้นหายไปแล้วมันช่างแสนน่าหวาดกลัวขนลุกและแปลกใจไปพร้อมกัน ก่อนที่ผมจะเงยหน้าขึ้นมองไปยังจุดเดิมร่างของหญิงหนึ่งกําลังยืนเกาะลูกกรงระเบียงก้มหน้าลงมามองเศร้าๆเพียงเดียวดายผู้หญิงในชุดนอนสีดําคนนั้นเองผมยังไม่ทันได้เอ่ยปากเรื่องเธอทันใดนั้นร่างของผู้หญิงชุดนอนสีดําก็ร่วงลงมาจากชั้นสี่ปะทะลงกับพื้นซีเมนและขอฟุตบาทก่อนที่กลุ่มเงาสีดําที่ชั้นสี่ในจุดที่เธอตกลงมาจะจางหายไปผมทําได้แต่เพียงยืนนิ่งเงียบ สติหายไปทำอะไรไม่ถูกขนลุกไปทั่วร่างกายจำได้อีกทีก็รุ่งเช้าที่น้าแดงเข้ามาปลุกผมที่นอนนิ่งอยู่หน้าป้อมยามพร้อมบอกผมสั้นๆกับเหตุการณ์เมื่อคืนว่านั่นคือตัวตายตัวแทนหากชอบเรื่องผีๆของเราอย่าลืมแชร์ต่อความสยองขวัญให้ เ, เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับน่ากลัวหรือไม่คอมเมนต์กันได้นะครับฝากติดตามพวกเราทีมงานแถวนี้ผีดุด้วยนะครับ หากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ